แต่ตามไม่จริงครับว่าอดีตคือนอกจากขณะนี้เดี๋ยวนี้ไปแล้วอันนี้เรียก ว, ว่าอดีตกรรับการคำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมคือการกระทำทางใจกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือคำพูดการกระทำกรรมทางคำพูดมโนกรรมการกระทำทางใจคือ